โลกว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไข่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผ่านไปอีกหนึ่งอสงไข่จึงได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์ในกับเดียวกันคือพระพุทธเจ้าสุมังคละ拉สมาณเรวตะและโสภิตต์ในกับเดียวกันแล้วก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไข่ว่างเฉยเฉยเนี่ยหนึ่งอสงไข่กับเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาอีกจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมพระองค์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 อารยศัตร์เพื่อแทงตลอดทำเป็นที่พ้นทุกอันนี้เป็นปกติของชาวโลกเนี่ยนะเชื่ว่าเมื่อหนึ่งอสงนะถ้าถ้านับตั้งแต่วันนี้ไปถอยหลังไปนะเมื่อ อ, อ, อสงไขที่ที่หนึ่งนะนับจากนี้ไปอสงไขที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าสามองค์อสงไขที่สองมีพระพุทธเจ้าสี่องค์อสงไขที่สามนับจากนี้ไปนะ ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอสงไขยที่สี่นับถอยหลังจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์นะสี่พระองค์ทันภายในสี่อสงไข่มีพระพุทธเจ้ากี่องค์สี่อสงไข่นะช่วงนะัช่วงช่วงสี่อสงไขยสี่ห้าห้าเก้าสิแดสิบสองทั้งหมดมีสิบสองพระองค์สี่อสงไขยมีพระพุทธเจ้าเพียง สิบสองพระองค์เองเ น, นะนะถึงว่าน้อยมากเลยนะเมื่อไหร่จะมีขึ้นสักองค์หนึ่งเนอะโลกก็ว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนาแต่ก็พอมาศึกษาแบบนี้เขาก็จะเข้าสู่ภาวะปกติอีกแล้วนะเนี่ยปกติที่ไม่มีคําสอนเนี่ยนะไม่มีพระรัตนตรยัยปกติที่คนไม่รู้จักคุณพระรัตนตรยัยปกติที่ไม่มีคําสอน นี้ถ้านับจากวันนี้ถอยหลังไปเมื่อแสนกลับที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าประทุมุตระถ้าถอยหลังจากนี้ไปอีกส 0,000 ื่นกับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าสุมเมทะกับพระพุทธเจ้าสุชาติเกิดขึ้นในโลกแต่ถ้านับจากนี้ไปถอยหลังไปอีก 18,00 งหมันกัป ก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์คือพระพุทธเจ้าปิยะทัศนีอัฏฐ ท, ทัศสีธรรมทัศนีอุบัติขึ้นสองค์แล้วก็ถ้าเมื่อ94กลับกัที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวคือพระสิท ธ, ธะพุทธเจ้าถ้าถอยหลังไป92กลับกัมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ติดสัปุทสัถถ้าถอยหลังออกไป91กลับกัมีพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดขึ้นองค์เดียว ถ้าถอยหลังไปสาเอ็ดกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์คือสิขีกับเวสสภูถ้าในกับเดียวกันนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์นะเฉพาะในกับนี้คือพระพุทธเจ้ากัุสันทก k a มาณะกัสสปะพระพุทธเจ้าของเราและพระสีอริยะเมตไตหรือพระเมตไตรยจะอุบัติขึ้นในภายหลังเพราะฉะนั้นพระองค์เรียกกับนี้ว่าเป็นสุนทรกับเป็นกับที่เป็นสาระมาก เป็นกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์ น, นะจำง่ายว่าในภายในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์ถ้าถอยหลังเมื่อ31อดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นส1อดกับที่แล้วสองพระองค์สองพระองค์เมื่อ91อ็ดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์เดียวคือวิปัสสีถ้า9กกับที่แล้วสององค์คือติสสะกับปุสสะเกกับที่แล้ว มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเสทธะทะถ้าเมื่อหนึ่งหมดพันกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสามองค์ น, นะคือปิยทัศนีอัฏฐทัศนีธรรมทัศนีสามองค์เมื่อสามหมื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เมื่อหนึ่งอสงไขยที่แล้วมีองค์เดียวเมื่อหนึ่งอสงไขที่แล้วนู้นมีพระพุทธเจ้าสมพระองค์เมื่อสองอสงไขถอยหลังจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น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 ไม่ใช่ว่าคุยไปเรื่อยนี่นะสภากาแฟอะไรเป็นต้นไม่ใช่แบบนั้นหรอกเพรานทุกอย่างที่พระองค์ทําจึงมีมีประโยชน์หมดเลยแล้วนะพระองค์ต้องตรวจดูก่อนว่าเขาสั่งสมบุญมาไหมเขามีอุปนิสัยไหมที่จะบรรลุอันนี้พวกกลุ่มที่จะบรรลุนะเพราะผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเอาไว้เลยเนี่ยต่อให้เบื่อในวัดตะให้ตายก็ไม่บรรลุให้เกลียดชิงชังวัดตะแค่ไหนก็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 ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาให้ความสําคัญกับคนที่อายุยืนผ่านมาแล้วหลายรัชกาลครับว่างั้นกรียวว่าเห็นการปกครองแผ่นดินมาแล้วหลายๆายรัช ก, กาลด้วยกันแต่คนที่อายุยืนขนาดนั้นเช่นคนที่อายุ120ปีไงนะจะเห็นการปกครองมาแล้วหลายรัชกาลถ้าเป็นแบบสมัยใหม่ก็คืออายุมาก <ส pierwsze. S 1> เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเท้าหมหาพรหมเหมือนกัน สุทาวาตพรหมเหมือนกันเขาเห็นความเป็นไปทริงหล า, ลายสิบกลับเนี่ยนะเห็นเหตุการณ์ขึ้นบัณกลับแต่ละกลับที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะสังเกตดูว่ากลับนี่จะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นไหมมาดูวิธีสังเกตรู้ได้ยังไงว่ากลับกลับนั้นจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่จริงอยู่ในการที่ดํารงอยู่แห่งกลับเมื่อโลกสันนิวะดํารงอยู่ตลอดอสงไขยหนึ่งฝนก็เริ่มตกเพื่อให้โลกดํารงอยู่ ย่อมเป็นเหมือนกับหิมะตกในสุดแคว้นแต่ต้นเทียวจากนั้นก็มีรำข้าวประมาณ1 ง, งาประมาณ1ข้าวสารประมาณ1นะถั่วถั่วเขียวประมาณ1ถั่วทองประมาณ1พุทรามะขามป้อมฝักเหลืองฝักเขียวน้ำเต้าประมาณ1ก็เป็นสายน้ำงอกงามขึ้นโดยลำดับอุสภสองอุภาคาวุธเก่งคาวุธิโยด1สองโยด1、ามโยดสิ 10, โยดตลอร้อยพันแโยดเป็นประมาณตั้งอยู่บริเวณ ตั้งอยู่อย่างบริบูรณ์ในระหว่างแสนโกดจักรวาลจนถึงอัตนิตรพรหมโลกเนี่ย น, นะเรียว่าแสนโกดไล่สูงสุดนี่ยแหละลำดับนั้นน้ํานั้นก็ตกเลยลำดับเมื่อน้ําตกเนี่ย น, นะเทวโลกทั้งหลายก็ปรากฏอยู่ตามในที่ที่ของเทวโลกตั้งอยู่โดยปกติก็คือปกติของโลกควรจะอยู่ในส่วนไหนเทวดาควรจะอยู่ในส่วนไหนพรหมโลกจะควรจะอยู่ในส่วนไหนมันก็จะมีการตกแต่ง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 ก็เมืนกัเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแหละจริงๆก็ใกล้เกิดจากจากเกิดไปหาตายมันก็ไม่ได้มันก็แค่นี้แหละแต่ว่าแหมเอาไปเอามาใช้ชีวิตเสมาหมดลืมตายไปเลยอย่างไงนะเผลอตัวเอารู้ตัวอีกทีเอ้าเกือบตายไปแล้วนี่อย่งเงี้ยนะจนเราก็หมดสภาพไปแล้วจึงรู้ว่าเออใกล้เกือบตายนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของโลกเกี่ยวกับเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดขึ้นและดำรงอยู่ชั่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งถ้าเทียบกับการเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดกับหนึ่งก็ไม่ได้นานอะไร อสงไขยหนึ่งก็ไม่มากถ้ า, ก ล, ากล่าวถึงการเวลาถอยหลังไม่มีสิ้นสุดอนาคตที่ผันแปรต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้ามองจากองค์รวมระดับอสงไขยระดับหลายๆร้อยหลายหมืน่นอสงไขยอายุของเราเนี่ยแม้แมลงวีกระพีปีกก็หมดแล้วเนี่ยนะจุติแล้วเนี่ยนะนแอายุมันสั้นนิดเดียวจริงๆเลยนะมันก็มีอยู่เท่านี้นี่พูดถึงว่าตอนที่โลกเกิดการรวมตัวขึ้นเนี่ยนะ ท่านบอกว่าการรวมตัวของโลกเทวโลกมันปรากฏขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมรรคไปดูเอาส่วนฐานะของมนุษย์โลกเนี่ยนะเหมือนเมื่อน้านเข้าไปแล้วก็ปิดปากทามรกรกเสียน้านั้นก็อยู่ได้ด้วยฐานะของลมคือลมเนี่ยมาอุ้มน้าน้ำเนี่ยตั้งแผ่นดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้ำอีกทีหนึ่งก็าถามว่าโลกนี้นะโลกนีร้อยเปอร์เซ็นต สมมติ ถ, ถ้าโลกทั้งโลกนี่ร้อยเปอร์ซนต์น้ำเจ็บห้าเปซแผ่นดินกี่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ2 5่เท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าน้ําอดินตั้งอยู่บนน้ําหรือว่าน้ําตั้งอยู่บนดินกันแน่เพราะฉะนั้นถือว่าน้ำดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้ําแล้วลมเนี่ยอุ้มน้ําอีกครั้งหนึ่ง น, นะลมเนี่ยอุ้มน้ําเพราะฉะนั้นมันไม่มีการกระจายออกไปมันน่าจะตกนะมันน่าจะไหลรั่วออกไปใช่ไหม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 มันแผ่นดินตั้งอยู่บนน้าได้เหมือนอะไรเหมือนใบบัวอยู่หลังน้ำเคยเห็นใบบัวไหมใบบัวอยู่หลังน้ําฉันใดดินก็ตั้งอยู่บนน้ําฉันนั้นใช่ไหมที bye. นี้ถ้าบอกว่าสถานที่ที่แผ่นดินตั้งขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าตัวที่แผ่นดินตั้งขึ้นตั้งขึ้นที่ไหนก่อนมหาโพธิบาลังแผ่นดินเนี่ยถ้าจะตั้งขึ้นน จ, จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เป็นดินเนี่ยนะโพธิบาลังตั้งก่อนเพื่อนเมื่อโลกจะพินาศแตกทาลายภายหลังเนี่ยนะ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 เรียกว่าเหมือนกับใจกลางของโลกเรียกว่าใจกลางของโลกแกนกลางของโลกเป็นสถานที่มั่นคงรองรับพุทธคุณทั้งหลายได้รองรับพุทธญาณทั้งหลายได้รองรับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ณนะโพธิบาลังนั้นเนี่ยนะมันมีกบูอ่กอบัวอยู่กอหนึ่งกกบัวอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นบุพภนิมิตที่จะบอกว่ากับนั้นเนี่ย เป็นจะมีอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งโพธิที่บาลังให้มีผู้มาตราสโลหรือไม่ตรงบริเวณนั้นเหมือนมีกอบัวอยู่กอนหนึ่งนเป็นนิมิตที่รู้ได้เฉพาะคนมีบุญเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายบอกเลยว่าอ่านะเนี่ยมีกอบัวนะถ้าหากว่าบัวกอบัวเหล่านี้ถ้ามีดอกแปลว่ามีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีดอกไม่มีพระพุทธเจ้าอธิบายว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าจักอุบัติขึ้น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 พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกห้าองค์นะนะ